ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศการา์ 2,547 โดยพระพรมคุณาพรปอประยุตโอวัดยาณเวสส ก, กวันอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องเข้าพรรษากับอุดมคติของพระพุทธศาสนา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 ก็มักจะกําหนดในวันเสาร์อาทิตย์ก่อนวันเขา้าวรรษาปีนี้ที่จริงก็ถ้าจะให้ได้เสาร์อาทิตย์สุดท้ายก่อนเข้าวรันาก็คือเมื่อวานก็เป็นวันนาสาฬหบูชาก็กระชั้นเกิดไปเพราะเป็นวันที่มีพิธีเวียนเทียนถ้าจะมีการบวชเลยก็จะเกิดฉุกกระหุกได้บางปีนี้ก็เสาร์อาทิตย์ ก่อนวันเข้าพรรษาสองสาวันก็เลยบางรุ่นก็บวชกันแค่สองสาวันก่อนเข้าพรรษาปีนี้สาวัติทิศที่ไม่กระชันนักก็เลยว่าต่อกันก่อนถึงจะเข้าบรรษานี่ก็ก่อนหน้าเข้าพรรษาในเราเจ็ดวันพอดีเนี่ยก็เลยรุ่นนี้นัว่าบวชก่อนเข้าพรรษายาวหน่อยนั่นก็ความตั้งใจก็คือมาเริ่มเข้าพรรษาในวันนี้นั่นเอง วันข้าวภาษาก็คือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดแต่ปีนี้ก็มีพิเศษว่ามีแปดสองขนเมื่อมีเดือนแปดสองขนก็เลื่อนวันข้าวภาษามาเป็นวันแรมหนึ่งค่เดือนแปดหลังช้าไปเดือนหนึ่งปีนี้ก็นับว่าเทียบกับปีกันก่อนแล้วช้าเป็นพิเศษพอมาขึ้น เอาเดือนสิงหาคมเลยแต่เป็นวันแรกกงเดือนสิงหาคมหนึ่งสิงหาคมโดยมากวันเข้าพรรษาจะอยู่แค่ในเดือนกรกฎาคมหายากที่จะมาถึงเดือนสิงหาคมต่อไปนี้ก็วันเข้าพรรษาก็จะไหวเข้ายังนทางไปถึงใกล้ๆต้นเดือนกรกฎาเราก็จะถึงแปดสองนอีกแล้วก็มาเข้าพรรษาช้าเป็นเดือนแปดหลังอีก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 อยู่ประจําที่นี้สามเดือนครบเมื่อไรก็ออกมวันนั้นนะก็คือสิ้นสุดหมดไปเองแต่ว่าเครืออเป็นเครื่องกําหนดหมายให้รู้กันก็เลยมีวันออกพรรษาความจริงก็ครบเมื่อไรก็ออกวันนั้นโดยไม่ต้องมีพิธีพิเศษไม่ต้องมีไม่ต้องมีพิธีออกพรรษาพรรษาออกไปเองในเมื่อวันครบสามเดือนแต่ว่าจะมี ทางนักรรมอื่นเข้ามาอันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งก็รวมความก็คือว่าเท่าภรษาวันนี้ไปสิ้นสุดจบในวันขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดในในการจำภรษานี้ก็คืออยู่ประจำที่ตลอดสามเดือนในอยู่ประจำที่กำหนดด้วยอะไรก็กำหนดว่าทุกวันอยู่ที่วัดทีนี้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 ก็ไปกำหนดเอาว่าเที่ยงคืนนี่เป็นสิ้นสุดวันแล้วก็หลังเที่ยงคืนก็ขึ้นวันใหม่อันนี้เราเพิ่งมารับตอนตกในตอนยุคหลังแต่ก่อนนี่เราก็ถือตามแบบของเราเดิมก็เอาพระอาทิตย์เป็นหลักคือรุ่งอรุณถือพระอาทิตย์ขึ้นก็เป็นขึ้นวันใหม่ก็ถือกำหนดอันเนี้ยว่าตอนที่รุ่งอรุณเนี่ยที่ขึ้นวันใหม่เวลานั้นอยู่ในวัด ท่า น, นก็เลยถือจุดนี้เป็นสําคัญว่าตอนรุ่งอรุณเนี่ยให้อยู่ในวัดจะได้เป็นเครื่องกําหนดหมายร่วมกันไปไหนก็ตามก็ไปอันว่าให้ทันกลับมาให้ทันลุ้งอรุณให้มารับอรุณที่วัดอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องสําคัญแม้แต่ว่าอย่างการออกบินด บ, บาตเมื่อถือว่ารับอารุณ์ในวัดถ้าเราไปออกบินดบบตย เช้ามืดยังไม่ทันสว่างก็ทำให้ขาดพรรษาได้อันนี้ก็ต้องรู้หลักกันไว้นะเอาแล้วก็ไปวอาหนึ่งก็เรื่องเวลาเป็นอันว่ากำหนดหมายกันว่าให้เอาการรับรุ่นรุ่งอรุณนี้เป็นวันขึ้นวันใหม่รับอรุณทีวัดนี่ก็ต้องรู้เขตวัดเขตวัดนั้นก็เดี๋ยวนี้ก็ง่ายก็คือมีกาแพงเป็นที่กาหนดกาแพงก็ล้อมรอบหมดแล้วก็เลย ไม่ต้องอธิบายมากสมัยก่อนในวัดยังไม่มีกำแพงแล้ววัดสมัยก่อนตามชนบทก็ไม่นิยมมีกำแพงเพราะเป็นสถานที่เรียกว่าสาธารณะก็ต้องกำหนดหมายโดยรู้กันนะทางทางวัดก็จะต้องมีการชี้แจงว่าเขตวัดของเรานะที่จะต้องรับอรุณเนี่ยอยู่แค่นี้แค่นี้ แ, แต่ว่าสาหรับของเราตอนนี้ก็ไม่ต้องชี้แจงอะไรก็บอกว่า เอากำแพงเป็นหลักอลวก็แปลว่าต้องอยู่ในเนี้ยรับอรุณในเขตวัดเนี่ยสามเดือนทุกวันทุกวันทนนีนี้ต่อไปก็มีปัญหาอีกว่าเอล้วก็ถ้าเกิดมีธุระสำคัญจำเป็นจริงๆอยู่ติดต่อเรื่องกันทุกวันไม่ได้นะทำไงท่านก็มียกเว้นให้อีกว่าถ้ามีกิจจำเป็น กิจจะเป็นนี่ก็มีหลายอย่างเช่นว่าครูปชาอาจารย์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่วัดอื่นแล้วก็ท่านเจ็บไายได้ป่วยอย่างหนักอะไรเงี้ยจะไปพยาบาลอะไรก็อนุญาตว่าให้เดินทางไปค้างแรมที่อื่นได้เพราะอาจจะเป็นต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าบิดามารดาโยมพ่อแม่ก็อยู่ไกลก็เจ็บป่วย หรือแม่แต่ว่าไม่ไกลนักแต่ว่าต้องไปรักษาพยาบาลหรือว่ามีกิจนิมนต์สำคัญไปรักษาสัทายาตโยมกิจการพระศาสนาสำคัญเนี่ยอันนี้ท่านก็ยกให้ว่าให้ไปได้ในกำหนดเวลาเพียงเจ็ดวันก็เรียกกันเป็นภาษาคำพูดภาษาพูดว่าสัตตาหะไปคำว่าสัตตาหะนี่ก็มาจากคำว่าสัตตาหะการณิยะ สตตหะกรณียะก็แปลว่ากิจที่พึงกระทาให้เสร็จในเจ็ดวันหมายก็หาว่าอนุญาตให้แค่เจ็วันต้องกลับมาให้ทันครบวันที่เจ็ดนี้ต้องกลับมารับอรุณที่วัดนี้ถ้ามีกิจอย่างนั้นไม่จบก็แปลว่าสตตาหะใหม่แต่ว่าเจ็ดวันนี้ต้องกลับมารับอรุณที่วัดก็แปลว่าสตตาหะไปใหม่ได้ก็ทําเป็นแบบแผนไป อันนี้ก็ส่วนรายละเอียดนี่ก็ไม่ยา ก, กเวลามีเหตุจริงๆก็ไถ่าถามแล้วดูหนังสือได้มีอะไรบ้างพาะมันก็ยุดหยุ่นกิจสำคัญก็นี่แหละก็เกี่ยวกับบุคคลบ้างเกี่ยวกับธุระการงานบ้างกา ร, รศาสนาแล้วก็ความสัมพันธ์กับประชาชนในแง่ไปสงเคราะห์แม้แต่ว่าไปแสดงธรรมไปปรดเขาได้รับกิจนิมนต์ไปก็สงเคราะห์เข้า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 บางทีชีวิตในพรรษานอกพรรษาแทบไม่มีอะไรต่างกันเลยถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนี่ออกพรรษาพระกจาริก ไ, ไปไปเรื่อยไปไปเมืองโน้นเมืองนี้พอถึงพรรษาก็ไปอยู่ประจําที่เพราะฉะนั้นสมาชิกของสังฆะหรือพระภิกษทุที่มาอยู่ร่วมกันนี่ก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยปีนี้ก็ที่วัดนี้ก็มีพระมาะองค์โน้อนองค์นี้มา รวมกันเข้าเป็นชุดหนึ่งพอมาอีกปีหนึ่งอ้าวแยกกันไปแล้วมาเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแต่มาเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองพระต้องมีสังกัดอยู่ประจําที่แน่นอนก็เลยกลายไปว่าอยู่กับประจําวัดไหนวัดนั้นสมาชิกก็เหมือนเดิมนอกจากองค์ไหนลาศิกขาไปองค์ไหนมาบวชใหม่เพิ่มเข้ามาก็มีเปลี่ยนแปลงแค่นั้นแต่ว่า เราก็ถือธรำเนียมตามพระวินัยมาให้มีการจําพรรษาแต่ให้รู้ว่าภูมิหลังพื้นเดิมเป็นอย่างนั้นก็คือชีวิตสมัยก่อนนั้นเป็นชีวิตของการจาริกเนี่ยก็อยู่ประจําที่ในพรรษาในการอยู่ประจําที่ในพรรษาของพระสมัยก่อนนี่ก็จะมีความหมายอีกแบบนึงก็คือว่าตอนนอกพรรษาเนี่ยฉันก็จาริกไปไปเพื่อไปหาสถานที่สําหรับไปศึกษา ไปปฏิบัติไปฝึกฝนตนเองเล่าเรียนอะไรหรือว่าไปอยู่กับชุมชนที่โน่นที่นี่แล้วพอจำภรษาท่านก็อยู่ประจํากับที่การที่ท่านอยู่ประจําที่นั้นก็มีข้อดีก็ทำให้พระที่ท่านมีประสบการณ์แล้วก็มีภรษายุคการไม่เท่ากันเนี่ยได้มาอยู่ร่วมกันบางท่านก็มีความรู้มีประสบการณ์มากเป็นครูอาจารย์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 ประโยชน์ในช่วงจำพรรษาพาะออกพรรษาพราะก็กระจายกันไปทีนี้มาถึงสมัยนี้พระอยู่ประจำที่แล้วก็เปลี่ยนไปว่าพระในพรรษาจะมีจำนวนมากพิเศษโด้เรามีประเพณีบวชเรียนเพิ่มขึ้นมาสำหรับเมืองไทยเรามีประเพณีว่าบวชเรียนจำพรรษาก็มีพระใหม่มาอยู่จำพรรษาก็เกิดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์พิเศษ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 แล้วก็ประชาชนก็ในเมื่อถ้าสงอยู่กันพร้อมมีจำนวนมากพิเศษอันนั้นก็อนุโลมคล้ายๆโบราณก็คือได้มาทำบุญมากขึ้นแล้วก็ไปสัมพันธ์โยงกับพระใหม่ว่าญาติโยมมีโยมพ่อโยมแม่เป็นต้นก็มาทำบุญทำควุมศลมากเป็นพิเศษด้วยอันนี้ก็โยงกันไปเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแบบพณีที น, นี้เราก็เอา เรื่องของวันพรรษาเนีมาใช้ประโยชน์ในแง่วัฒนธรรมประเพณีก็ทำให้สังคมไทยนี่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับหลายประเทศที่เป็นประเทศพุทธเหมือนกันที่เขาไม่มีประเพณีบทเรียนอย่างนี้เนี่ยก็เลยเป็นลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าเอกลักษณ์แม้จะเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันเทรวาสเหมือนกันแต่ว่ามีวัฒนธรรมเฉพาะที่ไม่เหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนีพอมีเรื่องของ วัฒนธรรมเฉพาะมีประเพณีบทเรียนแล้วก็กิจกรรมอื่นก็ตามมาะเช่นว่าพอเข้าพรรษาแล้วก็จะมีการเปิดเรียนคณะสงฆ์ก็จะจัดหลักสูตรที่เรียกว่านวักะขึ้นมาอันนี้ก็คือตามแนวของระบบนักธรรมเป็นนักธรรมตรีให้ได้เล่าเรียนกันแล้วก็จัดให้เหมือนกันทั่วประเทศจะมีการเปิดเรียนเช่นว่าแร็มเก้าคำเดือนแปดก็เปิดเรียนเรียกได้ว่าพร้อมกันทั่วประเทศ แล้วก็เรียนไปก็มีการจับสอบอีกนมีการให้ประกาศนิบัตรละนี้ก็เป็นเรื่องของระบบการที่วางคือมาสืบเนื่องจากวัฒนธรรมประเพณีทําให้เป็นแบบแผนขึ้นเป็นส่วนที่งอกออกมาขยายเพิ่มเติมกันไปแต่สาระสําคัญก็คือว่าให้การบวชไม่ได้ประโยชน์ทีนี้สําหรับท่านที่มาบวชตามประเพณีวัฒนธรรมนั้น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 มาสอดคล้องกับหลักการของพุทธศาสนาที่ว่าให้ผู้ที่บวชเข้ามานั้นได้รับการศึกษาการบวชของเราก็เลยเรียกกันว่าบวชเรียนการบวชก็เพื่อเล่าเรียนศึกษาเพราะงานสาระสาคัญก็จึงอยู่ที่การเล่าเรียนแต่ว่าการเล่าเรียนของเรานี่มันก็ไม่ใช่เพียงเพียงการเรียนในชั้นการเรียนหรือการศึกษาในที่นี้ก็อยู่ในหลักที่เรียกว่าสายสิกขาสายสิกขาก็มีสีสมาธิปัญญา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 กับสิ่งแวดล้อมด้านอื่นเช่นการกินเสพบริโภคก็จะได้รู้จักประมาณเป็นต้ น, นก็เป็นการลดการเบียดเบียนหรือว่าทำให้เกิดการเกือ้อกูลกันไปนั่นเองวงความมันมีผลถึงกันและก็สมาธิก็เรื่องของจิตใจทั้งหมดไม่เฉพาะสิ่งที่เรียกว่าสมาธิแต่สมาธินี่เป็นคุณสมบัติสำคัญในด้านจิตใจที่ว่าเป็นเหมือนกัะที่รองรับเป็นจุดรวมของคุณสมบัติทางจิตใจ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 เล่าเรียนเนี่ยทั้งเข้าใจและทรงจําไว้แล้วก็ปัญญาในเชิงของการคิดการพิจารณาสิ่ง ต, ง ต, งตง่างๆการคิดสืบสาใ ห, าห้ขนหาความจรงิจรงการพิจารณาแก้ปัญหาต่างๆคือจนกระทั่งถึงรู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งแต่ความจริงในระดับทั่วไปจนถึงความจริงของโลกและชีวิตความจริงของสังขารของสัตว์จะทำอะไรทั้งหมดเนี่ย น, น, น, นีก็เรื่องปัญญา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 ก็มีการอยู่ร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันเกิดขึ้นมีการจัดระบบการสัมพันธ์ต่อกันในกิจกรรมในการเรียนการสอนการปฏิบัติต่อการระหว่างครูอาจารย์ลูกศิษย์การที่เรียนหนังสือด้กันและปฏิบัติต่อกันช่วยส่วนรวมยังไงรักษาระเบียบแบบแผนรักษาความสงบมีระเบียบลำดับในการที่จะเรียนยังไงอะไรนี้ก็คือเป็นการฝึกฝนที่เรียกว่าศิกขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการ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 ทางในชั้นนอกชั้นนี่ก็เป็นส่วนที่จะมาเกื้อหนุนให้เราทําได้ผลดีอันนี้การเล่าเรียนศึกษาอย่างนี้จะดําเนินไปได้ดีมันก็เลยมีหลายด้านที่ต้องเกี่ยวข้องกันนถ้าพูดไปแล้วก็พูดที่บวช้ามาเวลาเรามาอยู่ในพระจำพรรษานี่ก็คือเราจะมาเจริญใจาจศึกษาให้เต็มที่ถ้าแยกแยะออกไปก็มองไปความรับผิดชอบเพื่อจะให้เกิดผลในการศึกษาในไหลได้ ก็เหมือนกับว่าหนึ่งมีความรับผิดชอบต่อตัวเองตัวเองเนี่ยแน่นอนไปแกนและจะทํางานให้าจศีกษานี้จเจริญงอกงามไปแต่พร้อมกับนั้นก็คือเราก็มีส่วนร่วมอยู่ในสังขะนี้เราก็เลยมีความรับผิดชอบต่อสงส่วนรวมต่อวัดของเราแล้วก็ขยายไปถึงสง์ทั้งหมดทั้งประเทศทั้งโลกเลยแต่ว่าใกล้ใชิดก็คือวัดเราเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหมดทุกท่านแต่ละองค์ก็มีความรับผิดชอบต่อสงร่วมกัน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 บวชมานี่โยมพ่อโยมแม่ก็เหมือนกับร่วมบวช ด, ด้วยเนะี่ยทำทำบุญกุศลเต็มที่เพื่อให้ลูกได้บวชแล้วก็ติดตามคอยดูคอยฟังตลอดเวลาใจก็มาอยู่กับท่านที่บวชเนี่ยนันก็เหมือนกับว่าทําบุญร่วมกันตลอดเวลาถ้าท่านทําได้ดีก็โยมก็ได้บุญได้กุศลด้วยในแง่นี้ก็เหมือนกับรัท่านรับผิดชอบต่อโยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านผู้ใหญ่ไปได้วยกันหมด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 มีความงดงามแล้วก็จะสามารถดำรงพระศาสนาได้แล้วก็เป็นสังฆาเองก็มีความหมายต่อสังคมเพราะสงสงนี่แหละระโยงกับประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมการสงก็มีเพื่อประชาชนเพสังคมแล้วก็สงก็อยู่ได้ในสังคมถ้าสังคมไม่ศรัทธาไม่เกื้อหนุนสังฆาก็อยู่ไม่ได้หรือสังฆาพระสงฆ์นี่ไปชักจูงประชาชนในทางที่ผิดสังคมก็เสื่อมลงไปใช่ไหม นะครับต้องมีความรับผิดชอบด้วยกันก็มาถึงแต่ละองค์เนี่ยต้องรับผิดชอบต่อประชาชนไปด้วยก็การรับผิดชอบต่อประชาชนก็ต้องรับผิดชอบจากสังฆะและสังฆะนี่เองเมื่อสังฆะดีเนี่ยมีความงดงามดําเนินกิจวัตรเป็นไปได้วดีมีสามัคคีมีความพร้อมเพรียงสังฆะนั้นก็เป็นสภาพเอือ้อต่อการเจริญใจศึกษาการพัฒนาตัวของแต่ละท่านถ้าสังฆะไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ละท่านก็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 แล้วก็องค์อื่นๆก็จะมาเกื้อหนุนกันฉันมีความสนใจร่วมกันก็มาถกเถียงมาสนทนาปราศัยมาหาความรู้ร่วมกันครูอาจารย์ก็จะมาช่วยให้คำแนะนำปรึกษาแต่ท่านที่เป็นสิทธิ์ก็ชีวิตที่มีสัง้าก็คือเราจัดตั้งเนี่ยเพื่อให้ชุมชนหรือสังคมเนี่ยเป็นสภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาตนของแต่ละคนนี้เองเนี่ย แต่พอมองไปในแง่หนึ่งก็เหมือนกับเราแต่ละคนนี่รับผิดชอบแต่ส่วนรวมช่วยให้ส ง, งา่าแต่ความจริงมันย้อนกลับมาก็คือสั ง, สงข้างงดงามมีความสามารถขีพร้อมเพรียงกันดีก็เป็นสภาพเอื้อให้แต่ละท่านพัฒนาตนเองดีถ้าไม่สามารถขีการมีความขัดแย้งกันเท่านั้นแหละก็ยุ่งและใจเราก็มีความขุณโมวเศร้าหมองการที่จะได้เจริญใจศึกษาเล่าเรียนศึกษาศึกษามันก็ไม่ปลอดโปร่งมันก็ติดขัดไปเองนะ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 ผู้งามในสงฆ์ก็ได้ผู้ทาสงฆ์ให้งามนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ท่านยกย่องแล้วก็กระตุ้นหนุนให้เราพยายามทําตัวอย่างนั้ น, นแล้วก็ในเรื่องความสามัคคีความพรักพร้อมเพลียงกันทํากิจต่างๆแล้วก็มีใจร่วมกันที่จะทําให้เราทําอะไรก็ปลอดโปร่งเพราะ ม, มีความสามัคคีกัน มีความปรารถนาดีต่อกันและทีนี้จะทําอะไรก็เท่ากับมาเป็นกำลังใจกันกันก็ยิ่งทําได้ผลดีต่างๆทั้งภายในแต่และองค์ก็ทําได้ผลดีทั้งภายนอกเวลามีกิจการร่วมกันก็มาร่วมกันทําอีกก็สําเร็จผลได้ดีเนี่ยนี่คือเรียกว่ารับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังฆะแล้วต่อไปก็ขยายไปถึงประชาชนแล้วก็สังฆะประชาชนก็สังฆะก็เอาวัดเป็นที่กําหนด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 เรียกพุทธศาสนาเป็นแบบพวกลัทธิฤูษีลัทธิฤูษีจีไพร์เขาเรียกว่าอเซนติซิซึมซึ่งต่างกันมากกับพุทธศาสนาพวกลูษีจีไพร์นั่นก็คือเขารังเกียจสังคมเขาก็ตัดขาดจากสังคมปลีกตัวไปจากสังคมไปอยู่ป่าแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วไปหาเผือกหามันกินเองไม่พึ่งชาวชาวบา้านนานๆก็ไปหาเกลือสถียร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 ตัดขาดจากสังคมไปเลยโรองก็มาตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาแล้วก็ให้ชีวิตพระเนี่ยหนึ่งอยู่กันเป็นชุมชนมีความรับผิดชอบต่อ ก, กันสังฆะอยู่ร่วมกันแม้จะให้มีความสงบวิเวกนก็คือถือความวิเวกสงบเป็นสำคัญแต่ไม่ให้ตัดขาดจากชุมชนจะไปอยู่แบบฤาษีตัวคนเดียวหรือสองคนไม่ได้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 เราไม่นับกรณียกเว้นก็คือพระตั้งอยู่กันเป็นชุมชนมีความสงบแต่ก็มีชีวิตเป็นสังฆะด้วยคำว่าสังฆะในเป็นตัวบอกเสร็จว่าในพุทธศาสนาหลักการในมุ่งสังคมนะไม่ให้ตัดขาดก็แต่ว่าเป็นทางสายกลางก็คือไม่ร่วมสังคมจนกลายเป็นครุกคลนะีและก็ไม่ใช่ว่าห่างจากสังคมจนกลายเป็นตัดขาดนะ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 วินัยที่ทำให้พระเนี่ยไม่สามารถตัดขาดจากสังคมเนี่ยท่านก็เลยให้พระเนี่ยอยู่ในป่าก็อยู่ไกลไม่ได้ยอยู่ห่างได้แค่เรียกว่าห้าร้อยชวดธนูเท่านั้นเองก็ห้าร้อยวาชน่ชวธนูก็คือวาหนึ่งทีนี้ห้ารัอยชวดธนูห้ารอวาก็หนึ่งกิโลเมตรใมก็หมายความว่าต้องอยู่ในเขตที่จะมาบิณฑบาตได้เนี่ยชีวิตพระ ก็ตัดขาดจากประชาชนไม่ได้ก็ฝากท้องเงินประชาชนแต่ไม่ให้ไปคลุกคลีนะนีจะได้เป็นหลักให้แก่ประชาชนเพราะตัวเองนั้นมีหน้าที่พิเศษชาวบ้านเขาวุ่นวายกันเรื่องชีวิตของเขาหากินนะเสพอะไรของพรานีมุ่งในทางเรียกว่าทางนามธรรมทางด้านพัฒนาเช่นว่าดังด้านจิตใจได้เข้าถึงภูมิธรรมภูมิปัญญาที่สูง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 พระในพึ่งโยมในแง่ของปัจจัยสี่เรื่องวัตถุเขาเรียกว่าอามิดอามิดก็ไม่เหมือนในภาษาไทยนะอามิดก็คือวัตถุปเขาสิ้นของปัจจัยสี่อะไรนี่เรียกว่าอามิดไทยเราถ้าพูดอามิดแล้วเดี๋ยวเข้าใจไปว่าเป็นไอ้พวกของที่มาให้สินจา้าสินบนเลยไปเลยนะี่อามิดสินเจ้านะีใช่ไหมใช่ยังคำว่างี้อามิดในที่นี้ก็คือวัตถุปัจจัยต่างๆพระเาขาพึ่งพ้าชาวบ้านส่วนว่าชาวบ้านก็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 ให้รรมทานแก่ประชาชนนี่ถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองด้วยดีก็จะทําให้โรคนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพุทธเจ้าเนี่ยต้องไม่ต้องการให้พระเนี่ยไปโดดเดี่ยวอยู่ต่างหาแต่ก็สัมพันธ์ก็ก็สัมพันธ์กันเพียงว่ามาพบกันด้วยมี่ข้อผูกพันที่พระตั้งพึ่งฝากทองไว้แล้วก็เลยเป็นโอกาสให้พระได้พบแล้วก็ใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะแนะนําสั่งสอนให้ความรู้อย่างน้อยก็ให้โดยไม่ต้องพูด ให้ทำนี่มีสองอย่างคือให้โดยพูดกับให้ไม่ต้องพูดให้กงพูดก็เป็นธรรมดาก็แนะนําสั่งสอนไปให้ได้ไม่ต้องพูดก็คือพระปรากฏตัวที่ไหนนี่ต้องให้ประชาชนได้ความดีความงามได้จิตใจที่ร่าเริงเบิกบานผ่องใสให้พัฒนาขึ้นน่ย อ, อย่างว่าพระมีความประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบมีความสํารวมเป็นเครื่องหมายความไม่มีภยัยพระนี่เป็นสัญลักษณ์ความไม่มีภัยนะเป็นผู้สงบไม่มีภัยอันตราย พอประชาชนเห็นพระเมื่อไรเนี่ยต้องจิตใจสบายโอ้นี่คือไปเจอพระปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่ปลอดภัยปล่งโล่งใจแล้วก็รู้สึกว่าท่านเป็นผู้เจริญ ง, งอกงามเป็นตัวแทนของธรรมะแล้วได้ที่เราปฏิสาทะจิตใจเบิกบานผ่องใสนีแล้วจิตใจก็โน้มไปหาธรรมะเพียงได้แค่นี้ก็พระก็ปรากฏตัวที่ไหนก็ให้โยมได้ธรรมะเมื่อ น, นั้นก็ได้จิตใจดีงามก็เป็นธรรมะแหละนะฮะให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูด นี่ถ้ามีโอกาสก็ให้ธรรมะโดยการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวตัวมีประสบการณ์อะไรก็ให้ไปและแต่ว่าให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดนี่แม้ยังไม่ได้เล่าเรียนอะไรก็เพียงว่าประพฤติปฏิบัติให้อยู่ใน ร, ระเบียบวินัยก็ได้ผลแหละนั้นถ้าจึงเน้นเรื่องของการปรากฏตัวของพระทําไมพระจึงต้องห่มผ้าละมัดระวางจะต้องเดินสํารวมอะไรก็เพื่อเนี่ยเพื่อประโยชน์กับประชาชนถ้าตัวเองก็ได้ฝึกหัดขัดเกลาไปด้วยฝึกตัวเองแต่พร้อมกันนั้นก็คือเพื่อประโยชน์กับประชาชน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 ก็จะได้ผลทันทีฉะ ก, ก็เป็นหลักมาแต่โบราณเลยนะว่าวัดว า, ารามพระสงค์นี่เป็นเครื่องจันลงจิตใจของสังคมทําให้สังคมจะเลยงอกงามขึ้นในทางจิตใจตั้งแต่เพียงได้ความรู้สึกแล้วต่อจากนั้นก็ได้ทางด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจก็ได้ขึ้นไปเป็นขั้ น, นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะรับผิดชอบต่อประชาชน ก็มีความสัมพันธ์ต่อการญาติโยมไปมาก็ทีนี้ถ้าพระสามารถก็ให้ความรู้แนะนําสั่งสอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าวัฒนธรรมของเราก็มาอาศัยหลักการเนี่ยก็พัฒนาจกนกระทั่งว่าได้ผลในโบราณเหล่านี้ก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ของพระกับประชาชนนี่จงกระทั้งว่าประชาชนมีความเคารพเรื่องสายมากที่กราบไหว้พระสงฆ์เห็นเมื่อไรก็จิตใจเขาผ่องใสเบิกบานเขามีความสุขได้ปีติ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 จีวรพระเดินมาก็จิตใจปรับลืม้มเกิดความปีติสดชื่นเบิกบานเนี่ยเป็นบรรยากาศที่สัมผัสกับพระศาสนาเรียกว่าให้ผลตั้งแต่เช้าเลยทำให้จิตใจประชาชนมีความสุขได้เป็นจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเขาก็มาแล้ว ก, ก็ตักบาตรไปนะฮะนี่ก็คือที่จริงสมัยตอนที่จเจริญ ง, งอ ง, งามแล้วถึงพระมาบิณฑบาตก็ได้แล้วพะประชาชนเรื่อมใสามากก็าไปโตไปไว้ตามบ้านมีลูกศิษย์อีก ชาวบ้านก็มีลูกอายุเจ็ดขวบก็ไปแล้วไปวัดนะลูกก็ไปช่วยเอาเป็นโตไปถึงพระไม่มาก็เอาเป็นโตไปได้นะแต่ทีนี้ว่าเราถือเป็นกิจวัตรนะเพราะาพระจะได้ทำหน้าที่ต่อประชาชนเนี่ยก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่มีผลเข้าไปถึงชีวิตจิตใจนะแล้วมันก็เลยคงทนอยู่ได้นย นี่ต่อมาเนี่ยตอนนี้สังคมมันชักวุ่นวายสับสนไปหมดจนกระทั่งประเพณีวัฒนธรรมมันเหลือมาในสภาพที่ขาดวินว้าแหวงไปหมดไม่สมบูรณ์นี้ถ้าหลักการรักษาไว้ไม่ได้ก็เสื่อมดัง น, นั้นก็เราก็ตั้ ง, งหลักนี้ไว้ให้ดีพระสงฆ์เราก็ท่านก็วางหลักไว้อย่างในทิศหกนะฮะให้มีจิตใจในหวังดีตั้งใจอนุเคระาะห์ญาติโยมประชาชนเนี่ยในทิศหกก็จะมีหลักว่าชาวบ้านมี หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่หละก็คือข้อควรปฏิบัติต่อพระสงค์อย่างไรและพระสงค์ควรปฏิบัติต่อชาวบ้านญาติโยมอย่างไรเนี่ยพระสงค์ก็ควรปฏิบัติต่อญาติโยมหกข้อหลวงลุงครับเพื่อจะไม่ให้หลับทิศหพระสงฆ์ปฏิบัติต่อญาติโยมอย่างไรบ้า <laughs> งมีอะไรบ้างเนีพระสงฆ์ <laughs>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 กี่ข้อละสี่ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังซ้ำทิงได้ได้ฟังได้รู้แล้วให้ชัดเจนแจ่มแจ้งนให้คลายสงสัยแล้วก็หลบท้ายบอกทางสุขความสุขอนให้ทีนี้ย้อนขึ้นมาข้างต้นก็มีอนุเคราะห์เด่นน้าใจอันงามนะแล้วก็อะไระทีเนี้ยเหลือสองข้อแล้วทีเนี้ยนะนะสองข้อหน้าที่ของ พระติดติดกันอย่างเงี้ดีเพราะว่าจะได้เป็นจุดเน้นให้ไปสนใจแล้วไปเติมจะให้เต็มนอีกสองข้ออีกสองข้อไปเติมให้เต็มหน้าที่ของพระนะอ่าให้ไปค้นเลยหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อประชาชนมีมากถึงหกข้อในทิศหกในะหน้าที่ของคนอื่นพ่อแม่กับลูกลูกลูกต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ต่อศิษย์ศิษย์ต่อครูอาจารย์สามีต่อปัญญาปัญญาต่อสามีเพื่อนต่อเพื่อนอะไรเนี่ย คนงานนายงานมีหน้าที่ต่อกันอย่างไรเนี่ยมีฝ่ายละห้าเทนั้นเน่ยมีพระสงฆ์เนี่ยมีหน้าที่หกพิเศษกับเขาเนี่ยมากที่สุดนี่ก็บางทีพระก็ลืมหน้าที่ของตัวเองอันนี้ก็ให้มั่นในหน้าที่ต่อประชาชนเนี่ยสําคัญมากเพราะการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนเนี่ยมองในแง่หนึ่งก็คือการเกื้อกูล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 อนิพพานนี่ก็คือจุดหมายเพื่อตนแต่จุดหมายเพื่อตนนะั้นที่จริงก็คือไม่ได้ทำอะไรให้กับตนเองเลยฝึกตัวเองเราเรียว่าทำให้ตนเีปลงที่จริงก็คือทําให้ตนเองหมดที่เหลือทำเพื่อนิพพานไม่ได้เราทําเพื่อตนมันเป็นสำนวนจริงทําเพื่อตนแต่ที่จริงก็คือทําให้หมดตนใช่ไหมอนิพพานนี่คือหมดตนนั่นเองถ้าทําเพื่อตนอะไรแล้วนิพพานก็คือหมดตนใช่ไหม ดับเลยตนอ่ะพอพอถึงนิพพานก็หมดหมดตนแหละเนี่ยก็คือไอ้ตัวตนอัตตามันมีอยู่มันเรียกร้องมันเรียกหามันขาดมันพล่องมันหิวมันจะเอาเรื่อยอันนี้มันก็หาความสุขมันก็เบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกันนี่เราก็พัฒนาไปพัฒนามาไอ้ตัวตนก็คือความยึดมั่นในตัวตนมันหมดพอมันหมดมันก็เต็มอิ่มไม่ต้องหาความสุข ไม่มีอะไรท่านเรียกว่าไม่มีกิจต้องทำเพื่อตนเองนี่ต่อไปนะผู้ที่บรรลุนิพพานนี่ไม่มีกิจต้องทำเพื่อตัวเองแม้แต่ความยึดมั่นในตนเหมันกมม็หมดไม่มีตนที่หยหิวไม่มีตนที่จะพร่องจะขาดนะมันเต็มอิ่มมีความสุขอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องหาพอมีความสุขเต็มอิ่มในตัวเองแล้วคราวนี้ก็ทําเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่นั้นบุคคลก็นิพพานไปนะนี่คือจุดหมายในการเจริญตรสิกขา ที่เราจเจริญใจศีรับเพื่อจุดหมายเนี่ยก็คือพื่นิพพานในความหมายหนึ่งก็คือดับความยึดมั่นในตัวตนก็ดับกิเลสหมดดับกิเลสเขารวมทั้งความยึดมั่นในตัวตนตัวตนมันก็ไม่มีในความยึดมั่นต่อไปมีแต่ตัวตนโดยสมมติเรียกขานกันเท่านั้นเองพราดับไอ้ตัวตนที่ยึดมั่นไว้ได้ทีนี้มันก็ไม่มีตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้ตัวหิวโหวยเรียกร้องขาดพร่องแล้วก็ มันก็มีความสุขเป็นต้นเต็มอิ่มในตัวท่านจึงเรียกว่าไม่มีกิจต้องตามเพื่อตนเองอีกทีนี้ก็มีจุดหมายพุทธศาสนาอีกข้อนหนึ่งที่ว่าพระพชนาตายพระพุชนะสุขายะโลกาโน ก, กัมปายะแปลว่าเพื่อประโยชน์สุขแก่พระูชนเพื่อเห็นแก่หรือว่าเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกนี่แหละจุดหมายพุทธศาสนาก็เลยมารับอันที่สองพจุดหมายเพื่อโลกบุคคลนิพพานแล้วก็ทีนี้ก็ทําการเพื่อโลกได้เต็มที่เพราะนั้นแปลว่าอารหันท์ท่านก็ไม่ต้องมีเรื่องตัวเองแล้ว กระจายไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนแม้แต่พุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าก็จะตรัสบ่อยๆว่าพระมัจจันนี้หรือราศาสนานี้ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนะเพื่อชาวโลกอันนี้คือจุดหมายของาศาสนานถ้ามองในแง่ตัวเองก็คือไปดับอัตตาดับตนเป็นนิพพานถ้ามองในแง่กว้างก็คือจะได้บำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเพราอตัวเองยิ่งดับความเห็นแก่ตัว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 ได้เข้าใจธรรมะเราก็ต้องฝึกตัวเองให้พูดให้ได้ใช่ไหมแล้วเราก็เดิได้ผลอีกเนีอันนั้นก็ตั้งใจปรารถนาดีต่อญาติโยมอันนั้นก็เริ่มแต่จะไปบินฑบาดเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าอู้เราไปนี่เราจะได้อาหารมากทั้นทันนี้ไม่ควรไปคิดอย่างนั้นเนะีก็ไปแล้วญาติโยมเขาเห็นประโยชน์เห็นพระมีคุณค่าเขาก็ถวายเป็นเรื่องศรัทธาแต่เราไปนี่ต้องตั้งใจไปเพื่อ ประโยชน์สุขกับชาวโลกจริงๆตั้งใจปรารถนาดีต่อโยมว่าให้โยมได้เห็นพร ะ, ะเราประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้โยมเห็นแล้วก็จิตใจสบายได้ประสาทะ่จิตใจผ่องใสเบิกบานให้เขาได้บุญได้กุศลตั้งใจดีนะคือตั้งใจดีต่อญาติโยมแหละนะแล้วการประพฤติตัวการเดินการอะไรมันจะไปเองไปเป็นเ พ, เพื่อจุดหมายที่ดีให้โยมได้ได้ประโยชน์ตั้งใจดีต่อญาติโยมวัดที่นี่ก็เหมือนการเอาญาติโยมมาวัด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 น่ยเมื่ั้นก็จะไม่เลยแบบว่าฉันก็บำเพ็ญประโยชน์สุขของกันให้หวยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ประโยชน์สุขที่ชอบธรำประโยชน์สุขที่ชอบธทำก็ต้องเป็นเรื่องที่ถูกทำวิ น, นัยนะฮะก็อย่างน้อยก็เออโยมาวัดแล้วเขาเห็นวัดร่มรื่นศาสะอ้านมีธรรมชาติจิตใจเรท่านก็สงบรื่นลมโนมาสูตธรรมหายกลุ่มหายกังวลหายทุกข์หายความเร้าร้อน จิตใจสบายสดชื่นผ่องใสเบิกบานนี่แหลนะเนี่ยอย่างน้อยก็ให้ญาตนะิโยมเนี่ยมาวัดแล้วได้ประโยชน์อย่างนี้พอเราคิดอย่างนี้เราก็ต้องพยายามทําไงจัดวัดให้เพื่อกูนต่อจิตใจญาติโยมเนี่ ย, ย, ยนะแล้วก็ต่อจากนั้นก็อาญาติโยมให้ได้ประโยชน์สุขเพิ่งขึ้นไปอีกนะีมาแล้วถ้าเรามีธรรมะธรรมะโดยตรงโดยพระสอนอบรมก็ได้เนะีย มีโอกาสก็พูดจะอธิบายไปหรือเข้ามาถามปัญหาก็ตอบชี้แจงให้หรืออาจจะให้หนังสือให้เทพอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ในการที่ทําให้ญาติโยมมาวัดแล้วได้ประโยชน์สุขจากธรรมะจากพระศาสนานะีก็แปลว่าตั้งจิตตั้งใจแต่ในแง่ที่ว่าทําอย่างไรจะให้ญาติโยมประชาชนมาวัดแล้วเนี่ยได้ประโยชน์สุขอันชอบธรรมไปนะตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างจะดีเอง ไม่ต้องไปคิดว่าเออวัดเรานี่ทําไงจะเด่นทัดเราจะได้เป็นหนึ่ง <l ug> หรือว่าแน่อะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปคิดน <l ug> คิดแต่เพียงว่าทําไงให้วัดเนี่ยสามารถทําประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ญาติโยมตั้งแต่จิตใจเป็นต้นไปแล้วมันจะเป็นไปเองเราก็จะพยายามทําจัดวัดทําอะไรอะไรให้มันดีนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะปฏิบัติทำไปในตัวเมื่อตั้งจิตถูกทางแล้วนะ ก็ทําหน้าที่ต่อประชาชนถูกต้องด้วยตัวเองก็จะพัฒนาจเจริญไา่ศิกขาไปด้วยอันนี้ก็แปลว่าเริ่มต้นตั้งแต่นี้ไปเราก็จะได้จเจริญไ า, า่ศิกขาแล้วก็มีการรับผิดชอบทํากิจหน้าที่ของตนเองด้วยทํากิจต่อส่วนรวมสงของเรานี้ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อยมีระเบียบมีความพร้พรอมเพรียงสามคัคคีมีระเบียบวินัยอันดีเช่นกิจวัตรสวดมนต์ะะอะไรๆเป็นต้น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 ก็วันนี้คิดว่าได้พูดกันมาก็พอสมควรไปรวมที่ว่าเนี่ยในที่สุดเราจเจริญใจสิกขาไปก็ก้าไปสู่พระนิพพานทุกทีก็จะดับเรื่องความยึดมั่นในตัวตนที่เป็นที่แสดงออกสำคัญของกิเลสที่พูดกันภาษาชาวบ้านีว่าความเห็นแก่ตัวแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ได้ได้บำเพ็ญประโยชน์กับชาวโลกก็เป็นไปตามคติว่าบุคคลก็บรรลุนิพพาน และกบุคคลนั้นก็สามารถทําการทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกได้เต็มที่ก็ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็เรียกว่าพุทธศาสนาก็ดํารงอยู่ได้ดีอย่างถูกต้องนีมั่นค ง, ย, งยั่งยืนนี่พระไม่ทําตามหลักนี้ก็คําเป็นประโยชน์ที่ผิดนีสังคมก็เสื่อมด้วยตัวพระเองก็ไม่จเจริลยงองงามเสียไปได้วยกันหมดทุกอย่างก็ขอให้เราได้ช่วยกันทําตามหลักการที่กล่าวมานี้ก็จะได้เกิดผล ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ท้งเป็นจุดหมายที่ท่งตัดเพื่อประโยชน์ของแต่ละบุคคลและก็ให้บุคคลนี้สามารถทําประโยชน์สุขกัชาวโลกอย่างที่ว่ามาก็ขออนุโมทนาก็ขอให้ทุกท่านโดยเฉพาะพระใหม่ที่ท่านตั้งใจได้มาบวชจำพรรษามีเวลาประมาณสามเดือนนี้ให้บําเพ็ญตามหลักตรีศีลขา ตามแนวทางที่ว่ามาเนี่ยให้ได้ผลดีโดยตั้งใจจริงว่าเรามีเวลาแค่เนี้ยประมาณสามเดือนนี้ทําให้ได้ผลเต็มที่เลยให้บรรลุจุดหมายให้ได้มากที่สุดแต่จะในแง่ตัวเองก็ถือเป็นกําไรชีวิตที่แท้ให้เป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มภูนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ต่อไปในการภายหน้าอันยืดยาวของชีวิตเนี่ยอยู่ในความทรงจําที่ดีงามให้นึกมาด้วยความประหลุ่มใจแล้วก็สามารถ